ทุดงข้อบินธบาตเป็นวัดการบินธบาตเป็นกิจจําเป็นของพระผู้บวชเป็นสักกายบุตรพุทธชิโนโรสปรากฏในพระพุทธศาสนาด้วยทางเพศอย่างเปิดเผยย่อมถือบินธบาตเป็นงานสําคัญประจําชีวิตดังอนุสาสตท่านสอนไว้ซึ่งมีทั้งข้อรุกขมูลเสนาส น, นะและข้อบินธบาตซึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนที่สําคัญ หลังจากการอุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสนพระไทยและทรงถือเป็นกิจจำเป็นประจำพระองค์ตลอดมาจนถึงวันเสด็จปริณิพานอากจะทรงงดบ้างก็เป็นบางสมัยที่ไม่อาจทรงปฏิบัติได้เช่นสมัยทรงจำพรรษาที่ป่าเลัยกับช้างปรีเลยยกะเป็นต้นเพราะมีใ่แดนมนุษย์ที่ควรจะถวายความสะดวกแก่พระองค์ได้ การบินทบาตเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งที่อำนวยผลแก่ผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบสุขทางใจคือเวลาเดินไปในละแวกบ้านก็เป็นการบำเพ็ญเพียรไปในตัวตลอดทั้งไปและกลับเช่นเดียวกับเดินจงกรมอยู่ในสถานที่พักและเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในเวลานั้นอีกหนึ่งผู้บำเพ็ญทางปัญญาโดยสม่ำเสมอแล้ว เวลาเดินบินทบาตขณะได้เห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสทางทวารย่อมเป็นเครื่องเสริมปัญญาและถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆได้โดยลำดับเพื่อดัดความเกียด ร, ร้านประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบแต่ผลอย่างเดียวแต่ขี้เกียจทำเหตุซึ่งเป็นคู่ควรแก่กันเพื่อดัดทิฐิมานะที่เข้าใจว่าตนเป็นคนชั้นสูงออกจากตระกูลสูงและมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่าง ลรารังเกียจต่อการโคจรบินทบาดอันเป็นลนักษณะคนเที่ยวคอทานท่าเดียวได้อะไรมาจากบินทบาตก็ฉันพออย่างอัตภาพให้เป็นไปไม่พอกพูนส่งเสริมกำลังทางกายให้มากอันเป็นค่าศึกต่อความเพียรทางใจให้ก้าวไปได้ยากการฉันหนนเดียวก็ควรฉันพอประมาณไม่มากเกินจนท้องอืดเฟอย่อยไม่ทัน เราเหลือกำลังของไฟธาตุในกองธาตุจะย่อยได้ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณาธรรมะทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกขโดยไม่เหลือนอกจากฉันหนเดียวแล้วยังสังเกตอาหารอีกด้วยว่าอาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกายไม่ทำให้ท้องเสียและเป็นคุณแก่จิตภาวนาสะดวกจิตไม่มัวหมองเพราะพิษอาหารเข้าไปทาลาย เช่นเผ็ดมากเกินไปเข็มมากเกินไปซึ่งทำให้ออกร้อนภายในท้องก่อความกังวลแก่จิตใจไม่เป็นอันทำความเพียรได้สะดวกเพราะกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันและกระเทือนถึงกันได้เร็วท่านจึงสอนให้เลือกอาหารที่เป็นสปายะซึ่งเป็นคุณแก่ร่างกายและจิตใจถ้าพอเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้แต่ทราบอยู่ว่าอาหารนี้ ไม่เป็นสัปพายะก็งดเสื้ยดีกว่าปืนฉันลงไปแล้วเกิดโทษแก่ร่างกายทำความทุกข์กังวลแก่จิตใจผู้ฉันหนเดียวมักทำความรู้สึกตัวได้ดีไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอ่อเหอิมในรสอาหารชนิดต่างๆการอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นวัดก็ดีการบินทบาตเป็นวัดก็ดีการฉันหนเดียวเป็นวัดก็ดี สำหรับพระธุดงคกรรมฐานล้วนเป็นอุบายวิธีฝึกทรมานกิเลสตัวพาดวงจิตดิ้นรนกวัดแกว่งให้ลดกำลังลงไม่คึกเหิมลำพองออกนอกลู่นอกทางเหมือนม้าตัวพยศแหวกแนวจากสนามรบฉนั้นคุณสมบัติแห่งธุดงเหล่านี้ทำให้ร่างกายจิตใจเบาฝึกหัดง่ายกว่าธรรมดา กายก็ไม่มีกําลังทับจิตใจได้มากเหมือนปล่อยให้ฉันตามต้องการและฉันจิบจับจั บ, จบพรมเรื่ออันเป็นการบำรุงมากไปผิดกับลักษณะของพระทุดงคกรรมฐานผู้ศึกษาอบรมเพื่อรู้จักประมาในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันในบาทเป็นวัดฉันในภาชนะเดียวนี่หมายถึงการฉันสารวมในบาด บรรดาอาหารข้าวหวานต่างๆนำเข้ารวมลงในบาทใบเดียวทั้งสิ้นไม่แบ่งแยกไว้ในภาชนะใดที่อยู่นอกบาทอันเป็นความมากๆเหลือเฟือเสียศักดิ์ศรีของพระธุดงกผู้ตั้งตนอยู่ในความมาักน้อยสันโดษซึ่งเป็นความเหมาะสมดีแล้วไม่พรุงพรังทั้งการเตรียมชัน้นเตรียมนั่งเตรียมนอนต่างๆคุณสมบัติที่เกิดจากการชั้นในบาต มีมากตามแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละรายจะขุดค้นขวนขวายขึ้นมาใช้สำหรับตัวทุดองนี้มีอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างเยี่ยมอย่างต่ำแม้จะนำอาหารลงรวมในบาทแต่ก็แยกไว้คนละด้านได้เช่นข้าวอยู่ด้านหนึ่งหวานอยู่ด้านหนึ่งหรือมีอาหารชนิดที่ขวนกั้นได้เช่นกล้วยเป็นต้น กันไว้ไม่ให้คละเคลา้คลากันอย่างกลางแม้นำอาหารรวมกันเช่นอย่างตำแต่อาจแยกกันโดยปริยายไม่ผสมกันทีเดียวอย่างเยี่ยมไม่ว่าข่าวหรือหวานนำเข้าผสมกันไม่ปรากฏว่าข่าวกับหวานอยู่คนละด้านเลยทำให้ผสมกันหมด ก่อนจะลงมือฉันก็ต้องรำพึงถึงปัจจเวคขณะก่อนคือปฏิสังขายโยนิโสบินปาตังปฏิเสวามิเป็นต้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยแยกคายในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวตามกำลังสติปัญญาที่มีอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งนาทีเพราะของดีที่จะเกิดจากการพิจารณาด้วยดีนั้นมีซ่อนเร้นอยู่ในอาหารผสมยังลึกลับ ทั้งจะได้เห็นตัวตันหาที่คอยแอบแฝงมากับความหิวโหยยังไม่คาดฝันในวันหนึ่งแน่นอนตามปกติความหิวโหยของธาตุขันท่านไม่ได้จัดว่าเป็นตันหาแต่ความหิวอันเป็นตัวตันหาที่คอยแอบตามมากับธาตุขันนั้นเป็นความลึกลับอยู่มากยากจะเห็นและจับตัวมันได้ เพราะมันคอยกลบรอยและสอดแทรกไปกับาธาตุขันที่กำลังหิวโหยในเวลานั้นจนไม่ได้สนใจว่าความหิวของาธาตุก็มีกิเลสประเภทบางเงาแฝงมาด้วยการพิจารณาก่อนฉันหรือกำลังฉันไปตามลำดับแห่งการฉันจึงมีทางรู้เรื่องของกิเลสชนิดแอบแฝงนี้ได้ดีและเห็นคุณของปฏิสังขายุยนิโสว่าเป็นอาวุธเครื่องประหารกิเลสประเภทบางเงาได้อย่างดีเยี่ยม แม้กิจนอกกาในใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนก็จะไม่ลืมธรรมบทนี้จนกลายเป็นผู้มีธรรมบทนี้ประจำใจอยู่ทุกอิริยาบถการแยกแยกต่างๆทั้งชนิดอาหารและวิธีพิจารณาจะไม่ขออธิบายไว้มากเกรงจะฟั่นเฟือเกินไปทุดงข้อถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัด การถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นการตัดทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดีกิเลสชนิดนี้เป็นที่น่าเบื่อหนายในวงนักปราชญ์ทั้งหลายแต่เป็นที่กระยิมลืมตัวของผานชนทั้งหลายพระทุดงที่ต้องการความสวยงามภายในคือใจสะอาดผ่องใสจำต้องฝืนกิเลสตัวชอบสวยงามราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆไปทางอากาศนี้เที่ยวสอะแสวงหาผ้าบางสุกุล ที่เขาทอดทิ้งไว้ตามปรชาช้าหรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลายมาซักฟอกแล้วย็บปฏิ ป, ปตอเป็นสบงจีวรสังคติใช้สอยพอปกปิดกายและบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัยอย่างหายกังวลไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใยผูกพันกับใครและสิ่งใดนอกไปจากธรรมะที่กำลังขุดค้นบำเพ็ญอยู่ผ้าบางสุขุลในสมัยนั้น รู้สึกจะเป็นผ้าที่ไร้คุณภาพและความหมายจริงๆเช่นผ้าพันศพผ้าที่ทิ้งอยู่ตามถนนหนทางมิใช่ผ้าที่ศรัทธาตั้งใจถวายเป็นผ้าบาังสุกุ l ดังที่เป็นอยู่ในเมืองเราทุกวันนี้ผู้ที่สามารถชักผ้าชนิดนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าสละความนิยมจากทางโลกเปลี่ยนใจออกมาเป็นความมีคุณค่าและความมุ่งหมายในทางธรรม นับแต่ชีวิตอัตภาพร่างกายลมหายใจทุกส่วนมอบเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุด้วยความเ ท, ทิดทูลโดยสิ้นเชิงการสลัดปัดทิ้งซึ่งความมีคุณค่าและความนิยมทั้งหลายที่นับถือกันแทนที่จะเป็นผู้หมดคุณค่าและความนิยมดังที่เข้าใจกันแต่ใจกลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ผิดคาดเช่นพระพุทธเจ้าขณะที่สละราชสมบัติ ออกทรงผนวดที่เรียกว่าหมดคุณค่าแห่งความนิยมนับถือของโลกสมัยนั้นแต่ผลกลับปรากฏขึ้นอย่างผิดคาดหมายคือได้เป็นศาสดา ข, ของโลกทั้งสามมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งหมดหนทางที่จะแย้งได้ตุดงขวัตที่เป็นเครื่องพร่ำสอนพระให้ทำตนเป็นเหมือนพระคิริวก็มีความมุ่งหมายทำนองนั้นเหมือนกันคือเพื่อคุณค่าทางจิตใจ ทุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นธรรมเนียมของพระทุดงคะกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาในสายตาของท่านอาจารย์มั่นท่านถือทุดงสำคัญข้อหนึ่งในบรรดาทุดงทั้งหลายทุดงที่ท่านปฏิบัติกันมากมาเป็นประจาคือข้ออยู่ป่าเป็นวัดอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นวัดถือการบินทบาทเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดชั้นในบาทเป็นวัด ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่ไม่ได้ปฏิเสธขหาบดีจีวอนที่ท่านผู้มีศรัทธาถวายสำหรับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่รับครองจริงๆจนอวสานสุดท้ายแห่งชีวิตข้อนี้ไม่ค่อยมีท่านที่ยึดจากท่านได้กี่องค์เืออยู่ป่าช้าเป็นวัดถือเนสศชิ้คือไม่นอนเป็นคืนๆไปตามแต่จะกาหนด ถือห้ามอาหารที่ตามทรงที่หลังเป็นต้นข้อเหล่านี้ท่านชอบปฏิบัติมากในสายท่านอาจารย์มั่นส่วนข้ออื่นๆนอกจากนี้ก็ปฏบิบัติบ้างเป็นครั้งคราวแต่จะขอผ่านไปเพราะได้เคยอธิบายไว้ในประวัติท่านอาจารย์มั่นบ้างแล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบโดยละเอียดโปรดดูหมวดทุดงสิบสามในธรรมวิภาคปริเฉศสองหากจะอธิบายบ้าง ก็ขอยกออกมาเป็นตอนๆที่เกี่ยวกับปฏิปทาของพระธุดงค์แต่แล้วรายไปสำหรับสายท่านอาจารย์มั่นท่านชอบปฏิบัติเป็นประจำก็มีดังที่ระบุมานี้ส่วนขันทวัดสิบมีเสนาสนาวัตเป็นต้นก็จะไม่ขออธิบายเพราะมีอยู่ในหนังสือทั่วไปหาดูได้ง่ายเช่นวินัยมุกเล่มสองเป็นต้นถ้าประสงค์อยากทราบ ก็กรุณาหาดูตามนั้น